ขอนอบนอ้อมแด่องค์พระรัตนตัยขอกาศขอวงพรอกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปจะหลอดจนเพื่อนจะทำให้ทุกท่านจเจริญในธรรมไม่ชีแล้วก็ยัติธรรมทุกคนเมื่อวานเมื่อวานพระอาจารย์วัชชัยท่านก็พูดถึงเรื่องข้อ ข้อปฏิบัติหรือว่าข้อธรรมที่เราใช้ในการตรวจสอบตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมถูกทางไหมนะหรือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันหลงทางไปนะเราก็เอาเป็นเครื่องมือในการกลับมาย้อนดูตัวของเราเองน ะ, นะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นแม่ชีหรือเป็หรือเป็นญาติโยมก็ดีนะ แต่มันก็มีมีอีกหลายๆส่วนที่พระเจ้าท่านตัดหรือว่าเตือนไว้นะแต่เฉพาะอย่างวันนี้อาจจะอยากพูดถึงเรื่องของของหมู่ผู้ประพฤติผอมจันด้วยกันนะผู้ประพฤติผอมจันก็คือผู้ที่ผู้ที่ออกบวชนะออกบวชจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะแต่ถ้าโยมเป็นผู้แม่ไม่ได้ออกบวชโดยทํากายนะ แต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประพฤติภรมจรรย์ให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระหรือว่าไม่ชีเองก็ดีก็สามารถนำมาพิจารณาดูก็ได้นะอย่างในบทที่เวลาเราทำวัดเช้าเสร็จนะที่เป็นเฉพาะพระหรือสามเณรสวดร่วมกันก็จะเป็นบทที่เรียกว่าน่าพิจารณามากนะ ท่านพวกเราสวดกันแล้วเราบางทีเราก็สวดกันเป็นนกแก่นกขุนทองเนาะไม่ค่อยได้บางทีนะแต่บางทีเราก็พิจารณาแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วในแต่ละประโยคแต่ละวรรคที่พระเจ้าท่านตัดไว้นี่มันเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากนะเราบอกว่าเรานะเรียกว่าออกบวชเพราะเราเข้าถึงซึ่งพรนาานะนิตนจบวชเพื่อบูชานะ แต่องค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมีศรัทธาก็เลยออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะเรามีศรัทธาที่จะออกนะออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดพิจารณา น, านนะอืมแน่นอนตอนนี้ร่างกายของพวกเราไม่อยู่ที่วัดเออไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องในงานทางโลกนะ แต่จิตใจของเราออกจากเรือนไม่นะจิตใจของเราคุกคีกับเรือนหรือเปล่านะ่ะเรือนในที่นี้ก็คือเรื่องทางโลกทั้งหลายนะเรื่องที่เรียกว่าทำให้จิตใจของเราตกต่ำลงไปนะอันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องของครัวเรือนนะเรื่องของคนที่มีครอบครัวก็ดีเรื่องของคนที่มีภาระการงานที่ยุ่งเหยิงสับสนก็ดีนะ หรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องของคนที่บกมุ่นด้วยกิเลสตันหาก็ดีอันนี้คือเรื่องของเรือนนะเรื่องที่เป็นเรื่องของคนที่ไม่ใช่ผู้ประพฤติผลมจรแล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่เรียกว่าประพฤติผลมจรจะบวชหรือไม่บวชก็ดีจิตใจถ้าเราคยมาตรวจสอบจิตใจของเราว่าเราเกี่ยวข้องได้เรือนมากไหมนะเวลาวันทั้งวันเนี่ยนะเรา พูดคุยกันสนทนากันกับเพื่อนสาธาริ ม, มิกด้วยกันเราพูดเรื่องปฏิบัติธรรมกันพูดในการจุมกันออกจากความทุกข์นะหรือพูดไปแล้วก็บกไปเข้าหาเรื่องอดีตนะที่เคยเป็นคารวะกันนะถ้าพูดไปเช่นนั้นบางทีมันจะทําให้เราดื่มเลยนะเราดื่มไปเลยว่าเราเป็นพระนะหรือเราสังเกตโดยดีนะบางทีมัน มันจะเผอไปได้ง่ายๆนะถ้ากลางวันเราหมกมุ่นคุณคิดเรื่องทางโลกมากๆนะกลางคืนนี่เราก็ฝันนะฝันไม่ฝันนี่ไม่ฝันว่าจะเองบวชแล้วนะยังฝันว่าจะเองเป็นคาราวาสเยู่นะเคยดูหนังฟังเพลงเคยกินนั่นกินนี่นะเคยเสพอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเรียกว่ามันยังคิดแบบโลกโลกอยู่นะนะแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความตั้งใจจริงนะถ้ากลางวันเราพยายาม ที่จะม่พูดคุยไม่คุกคีกันได้เรื่องทางโลกนะแต่เราอาศัยความเป็นมิตรนะในการที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมในการประพฤติผลมจรครือเพื่อนที่จะร่วมกันเดินทางออกจากความทุกข์นะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันคือเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่น่าน่าอนุโมทนามากนะถ้าชวนกันก็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมนะ หรืถ้าชวนกันก็ชวนไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์สนทนาธรรมกันนะหรือว่าถ้าเห็นเพื่อนทะเลทรายออกไปทําอย่างอื่นที่มันนอกรูนนอกทางเราก็เตือนกันอันเนี้ยนี่คือเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ดมม้วยกันนะจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาออกบวชจากเรือนจริงๆนะจะมีศรัทธาออกบวชตลอดชีวิตก็ดีหรือจะมีศรัทธาออกบวชแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีนะ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติให้มันได้สมกับที่เราเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเพราะไม่งั้นอา น, นิสงส์มันก็ไม่เกิดนะเราก็บวชจนเพียงแค่รูปแบบภายนอกเท่า น, นั้นแต่ถ้าเรานะบวชถึงจิตใจของเราด้วยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะแมนะ้เรายังบางคนอาจจะบวชช่วงสั้นๆตอนนี้อยัยยธรรมไม่ได้มากนะักแต่ถ้าเรากลับไปเป็นคารวะนะ ความจืดความจางกับเรื่องทางโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะน้อยลงไปจนมาทีมันก็อาจจะทําให้เรารีเทิร์นกลับมาได้อีกรอบหนึ่งนะเมื่อบานก็มีพระรุ่นหนึ่งท่านบอกท่านก็เคยบวชหลายครั้งนะบวชมาด้วยแล้วก็พอสึกออกไปก็ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องด้วยนะถ้าเราพอบวชแล้วพอปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วมันเรื่องเรื่องที่เขา เตนสนุกสนานเรื่องที่เขากินกันเพลิดเพลินกันนะในสังคมของหมู่คาราวาสนะใจมันไม่อยากไปหรอกนะหรือถ้าไปร่วมกับเขามันก็จืดมากนะเรื่องพวกนั้นมันจืดนะพราะเราเห็นว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงหรืออะไรเป็นสิ่งที่มันลวงโรคลวงจิตดวงใจของเราอะนะเรียกว่าแม้ร่างกายไม่อยู่ในวัดนะจิตแต่จิตใจเขาบวชนะก็คือบวชในการที่เรียกว่า ไม่ไม่หมกมุ่นกับเรื่องทางโลกเนี่ยคือผู้ที่มีศรัท ธ, ธาจริงๆจะเป็นแบบนี้นะศรัท ธ, ธาแม้จะบวชหรือไม่บวชก็ดีแต่ศรัท ธ, ธาในการที่มั่นคงที่จะประพฤติพรหมจรรย์มม น, นะประพฤติชีวิตที่ดีงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะเมื่อเรามีศรัท ธ, ธาออกบวชจากเรือนละเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเดือนนะเราก็มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ละนะพระพุทธองค์ถ้าบอกว่า เรามีสิกขาสิกขาคือทำและวินัยเนี่ยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสูจน์ทั้งหลายใช่ไหมพิสูุคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่พิสูจน์เพียงแค่การที่เราบวชเป็นพระถือว่าเป็นพิสูจน์เท่านั้นแต่ใครก็ตามคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในการเวีเวยนไหว้ใจเกิดเห็นภัยใน วงจรของกิเลสกรรมบิบากถนไปแบบนั้นนะเอเราทํากรรมนะมันก็เกิดบิบากของกรรมขึ้นมานะก็มีกิเลสเป็นอย่างเหนียวที่ย้อมใจเกิดขึ้นให้กระทํากรรมใหม่อีกครั้งทําไปแล้วก็ต้องรับวิบากของกรรมบนเบียนมันนี่ไปเรื่อย เ, อยเหมือนลูกวอล น, นะกิ้งลงเขานะมันกิ้งลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยไม่มีที่หยุด นะไม่มีที่พักหรือมันจะหยุดมันจะพักที่ใดถ้ามีเหตุปัจจัยมากระทบมันก็กิ้งไปต่อกิ้งไปต่อนะมันบนไปแบบนั้นเรื่อยๆนะมันเรียกว่าเป็นวัฏจักรเราเห็นภัยในวัฏจักรตรงนั้นรู้ไหมนะถ้าเราเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในกรรมที่กระทำนะเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่กล้าที่จะทำความไม่ดี มันจะลับเว้นความชั่วได้ง่ายนะเอจิต ท, ที่เห็นภัยในในวัตฏะสงสารหรือเข้าใจเรื่องกรรมคือการกระทําทั้งทางกายแล้วก็วาจารวมถึงกระทําทางใจนะมันจะเรียกว่ายับยั้งทั้งใจได้ง่ายนะมันจะเรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าทําความชั่วได้ยากมากนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ดีนะท่านตัดไว้ว่าการที่จะประเมินว่าเราเองก็ดีนะ เราเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นคนชั่วหรือเราจะประเมินคนอื่นก็ดีนะว่าใครเป็นคนดีเป็นคนชั่วเนี่ยมันมีวิธีดูง่ายๆนะผู้เจ้าท่านบอกว่าถ้าใครทําดีง่ายทําชั่วยากอันนี้คือคนดีถ้าใครทําชั่วง่ายทําดียากอันนั้นคือคนชั่วนะอันเนี้ยเราก็ต้องดูตัวของเราเองนะประเมินดูว่าเออเราทําดีง่ายไหม หรือว่าทําชั่วง่ายไหมนะเราประเมินดูแต่บางทีคนอันนี้ก็อาจจะดูแบบภาพ ร, ร, รวมๆดูภาพ ร, ร, รวมว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดีนะหรือบางทีเราอาจจะดูเป็นวันๆเดี๋ก็ได้นะบางวันเราก็เออทําดีง่ายนะขยันมีศรัทธามีความตั้งใจรู้สึกตั้งใจปฏิบัติดีก็ทําดีง่ายนะแต่บางวันก็รู้สึกขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเกิดศรัทธานะ อยากจะหมกมุ่นแต่เรื่องทางโลกนะก็กลายเป็นทําชั่วง่ายนะหลงไปได้ง่ายนะบางทีมันก็ไม่แน่นะคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าบางทีก็มีแบบชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนก็มีนะแต่คําว่าเจ็ดนี้หมายถึงว่ามันหมายถึงว่าปริมาณที่มันมากแบบนะี้เนาะมันก็มีสลับกันไปสลับกันมาแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงเนาะเราเอาเรียกว่า พระธรรมแล้วก็วินัยเนี่ยแหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพวกเรานะถ้าเราเอาธรรมแล้วก็วินัยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนี่ยแหละวินัยเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการเรียกว่าสกัดกัน้นไม่ให้เราทําความไม่ดีหรือความไม่ดีนั้นมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจดังนั้นการรักษานะพระวินัยก็ดีหรือว่ารักษาศีล น, นะก็ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเรียกว่าไม่ตกไปทางอบายนะ ถ้าเรารักษาตอนนี้ได้นะเราจะเกิดความภูมิใจในสิลงที่เราประพฤติปฏิบัตินะในความยั้งใจที่เราจะไม่ทำํทำตามสิ่งตามความคิดที่มันไม่ดีนะ่ะมันจะเกิดความภูมิใจตัวเองได้อ้อเรารู้แล้วว่ามันคิดขึ้นมามาได้ยหลอกให้เราไปตบยุงเรารู้แล้วมันคิดขึ้นมาได้ลหลอกให้เราไปคุกคีกับเพื่อนฝูงในเครื่องทางโลกเรารู้แล้วเรามันมีความขี้เกียจขึ้นมาทำํทำเราทําให้เราไม่ขยันทําความเพียรอันเนี้ย มันจะทำให้เรารู้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าที่จริงแล้วคนเรามันหลงไปเพราะความคิดมันหอกเราทั้งนั้นนะพอเรามีสติรู้เท่าทันมันก็จะเรียกว่ายับยั้งความคิดนะไม่ทำตามความคิดนะก็ทาตามพระธรรมวินัยได้นะเราก็จะรักษาพระวินัยได้อย่างเรียกว่าไม่ไม่เคร่งเครียดนะเป็นการรักษาโดยรู้ว่าจุดมุ่งหมายพระพุทเจ้าท่านไม่ใช่ สร้างาพระวินัยเพื่อลงโทษบุคคลใด น, นะแต่ท่านก็มีพระวินัยเพื่อลงโทษบุคคลที่เรียกว่าว่ายากสอนยากนะหรือว่าเป็นคนที่ดื้อด้านอันนี้คือเอาไว้เอาไว้ขนาดนะเรียกว่าเป็นการขนาบซะมากกว่าไม่ใช่เป็นการเพ่งโทษนะแต่เป็นการขนาบหรือว่าคอยเตือนคอยจี้หรือว่าคอยกั้นนะไม่ให้จิตที่มันคิดในทางที่ไม่ดีมันไปเสือทําผิดขึ้นมา อย่างน้อยก็ให้มีพระวินัยเป็นเครื่องเตือนใจมีศีลเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกไม่ตกไปทางที่ต่ํานำะแต่จะมีแค่นี้มันก็ไม่พอนาะมันต้องมีสิ่งจูงใจในทางที่สูงขึ้นก็คือธรรมะนะธรรมะเนี่ยเราก็ต้องศึกษาควบคู่กันไปเนะศึกษาทั้งจากการได้ยินได้ฟังอันเนี้ยเขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญานะเรามีปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเก็บสะสมไว้นะ เป็นพระหูสูตรเหมือนอย่างพระอนุนนนะถ้าเป็นพระหูสูตรรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกตอนนะท่านก็จําไว้ถ่ายทอดกับพวกเราแต่บางคนก็เป็นพระหูสูตรแบบแบบพระอะไรนะโพธิระนะใบรานเปล่าก็มีรู้นะรู้พระสูตรตา่ตางๆรู้คํำส อ, สอนของพระพุทธเจ้ามากมายเช่นกัน แต่รู้แล้วยกตนข่มท่านนะรู้แล้วอวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นรู้แล้วกับมีอัตตามาณนะนะไม่ลดไม่ละสิ่งที่เป็นนะกิเลสภายในจิตใจของตัวเองอันนั้นก็ไม่ใช่รู้ไม่ใช่เป็นสติมัจจยปัญญาจริงๆนะอันนั้นก็เป็นเพงแค่จำได้หมายรู้แต่ไม่ใช่เป็นการรู้พว่รลดละตัวตนหรือรู้เพื่อทักกิเลสดันนั้นถ้าเราจะรู้ ในการได้ยินได้ฟังก็ดีได้ยินได้ฟังแล้วกลับมาย้อนดูตนว่าเรามีกิเลสตัวใดเกิดขึ้นดูแล้ก็ละมันไปเรามีอัตตาตัว ต, วตนพองขึ้นไหมนะเราประพฤติผลมจันทร์เพื่ออะไรเพื่อราบสักการะสรรเสริญหรือเปล่าเพื่ออวดตัวว่าเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะหรือเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือเปล่าเราเราก็ต้องกลับมารู้ตัวเองนะถ้าเราไม่ใช่เออก็ดีแล้ว แต่งว่าเราประพฤติตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนละแต่ถ้าเราประพฤติไปนะก็อ๋อแต่งว่าเราถ้าเรารู้ตัวเราก็แต่งว่าเออเราหลงทางไปอ่ะก็กลับมาใหม่กลับมาหาทางาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่จริงจุดมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ของเราเนะี่ยท่านบอกว่าพิสูุทั้งหลายเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อสังวาระคือความสำรวมนะ ให้เกิดความสํารวนสํารวมอะไรสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเรียกว่าสํารวมอินทรีย์นะหรือจะเรียกว่าอินทรีย์สังวรศิลก็ได้เป็นการสํารวมนะแต่การสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไม่ใช่เป็นการปิดกัน้นนะไม่ใช่เป็นการใส่กรงขังไว้นะหรือว่าเก็บเข้าไว้ในห้องไม่ตาไม่ต้องดูหูไม่ต้องฟังนะ จมูกไม่ต้องได้กลิ่นริ้นไม่ต้องสัมผัสกับรสกายไม่ต้องเกี่ยวพ้องสัมผัสกับอะไรจิตใจก็กดข่มไว้ไม่ให้คิดนึปรุงแต่งอันนั้นไม่ใช่สำรวมนะอันนั้นเรียกว่าเป็นการกดข่มการสำรวมกับการกดข่มเนี่ยมันแตกต่างกันการสำรวมก็คืออะไรที่ไม่ควรมองก็ไม่มองอะไรที่ไม่ควรฟังก็ไม่ฟังนะเข้าใจไหมอะไรที่ไม่ควรไปเกี่ยวข้อง ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ควรคิดก็ไม่ต้องไปคิดต่อนะเช่นตามันเห็นรูป ส, สวยๆหรือรูปที่น่าดูใจมันอยากจะไปดู่ะอันนี้แสดงว่าให้เราดูทันแล้วว่าตามันอยากจะพาใจไปดูนะหรือถ้าจะพูดจริงๆเละใจเนี่ยมันอยากจะพาใหม้มันสั่งให้ตาไปดูนะได้ยินเสียงบางคนคุ้นเคยเนะในทางคารวะได้ยินเสียงเพลงเพราะๆนะ หรือบางทีแค่ได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันก็อยากจะไปคุยกับเขาด้วยนะเมื่อจิตใจมันเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันก็จะสั่งให้หูไปฟังไปฟังเพลงไปทำเพลงในใจนะให้คิดถึงเรื่องอดีตนะหรือก็บางทีก็สั่งกายให้ไปพูดคุยในเรื่องทางโลกเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าถ้าเราสํารวมก็คือเรารู้ทันรู้ทันว่าตามันดองไปแล้วรู้ทันว่าหูมันดองไปแล้วนะ หรือถึงที่สุดก็คือรู้ว่าทันใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปอันนี้คือการสำรวมระวังนะไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองต้องอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครนะไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นความสุดตรงในแบบหนึ่งนะนะบางคนก็กลัวเกินไปนะกลัวตาจะนำมาซึ่งกิเลสกลัวว่าหูจะนามาซึ่งสิ่งไม่ดีนะ กลัวว่าใจจะคิดนึกพรุงแต่งก็เลยกดข่มไว้แต่ยิ่งกดข่มมากเท่าไหร่นะกับยิ่งเครียดนะแต่พระเจ้าท่านบอกว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสั่าวระคือความสำรวมนะหรือเราจะตีความง่ายๆเราสำรวมกิริยาอาการทางกายทางบาัจาไปด้วยก็ได้เนาะสำรวมก็เหมือนภาษาทางโลกที่เราเข้าใจก็มีความละมัดระวังนะ มีความเรียกว่าเรียบร้อยในการเดินในการกินในการพูดคุยอะไรต่างๆเอาตรงนี้เข้าไปร่วมเลยก็ได้นะไม่ใช่จะเอาแต่เรียกว่าทางด้านจิตใจสิอย่างเดียวนะเราเคยเป็นคารวาสอาจจะเดินเร็วๆทําลุกลี้ลุกรนเราก็ต้องสํารวมระวังมากขึ้นนะอย่างที่เราได้พิจารณาพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิริยาอาการใดๆของสมณะนะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้นะก็ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นะมันยังไม่พอนะบางทีเราว่าเราทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าเป็นคารวะเยอะแยะมากมายนะบางทีเราก็คิดนะเพิ่งมาบวชนะก็ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่มันก็ดีแล้วมันก็ดีแต่เราก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้เราก็ทาอีกนะ ไม่ใช่พอใจเพียงแค่นี้มันมีบางคนก็คิดว่าเนี่ยบางทีในเรื่องคุณธรรมต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เราสันโดษในคุณธรรมนะท่านให้สันโดษในวัตถุสิ่งของภายนอกในปัจจัยสี่หรือว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องนะท่านให้สันโดษในสิ่งของหรือว่าให้มีความพอใจในวัตถุภายนอกที่เรามีแต่ท่านบอกให้เรา อย่าสันโดดในธรรมนะก็คือว่าให้ขนขวายในธรรมที่ยิ่งขึ้นไปธรรมที่จะนํามาสร่งความดุดพ้นธรรมที่จะพัฒนาจิตใจขึ้นไปเนี่ยนะให้พยายามขนขวายให้มากเขาไว้นะอย่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่าประมาทว่าเราเอ่อมีศีลดีแล้วนะอย่าประมาทหรือว่าพอว่าเรามีสมาธิดีแล้วนะอย่าประมาทว่าเรามีปัญญามากพอแล้วนะแต่ท่านให้ขดขวายจนกระทั่งเรียกว่า ต้องวิมุตต์ต้องหลุดพ้นแล้วนะถึงจะพอจริงๆนะไม่ใช่ไปพอใจเพียงแค่รูปรักษณ์ภายนอกหรือว่าคุณธรรมเบนะื้องต้นเท่านั้นอันนี้ถ้าเรามีความสำรวมระวังนะั้นมันจะมาทำมาให้เราพัฒนาตัวเองขึ้ น, นเรื่อยๆนะพัฒนาตัวเองทั้งทางกายทั้ ง, ง ว, วาจาแล้วก็ใจนะข้อต่อมาพระเจ้าท่านบอกว่านะเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อปหานะ ประหานนะคือการประหารประหารอะไรประหารกิเลสเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเลี้ยงกิเลสไว้หรือเราประหารกิเลสเราต้องดูตัวเองนะอกิเลสมันงอกงามขึ้นไหมหรือว่ามันโดนประหารเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะเราประหารหญ้าบ้างไหมถ้าหญ้ามันงอกงามนะมันก็ปุ่มต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่โตอย่างบางทีเราไปปลูกป่านะ บางทีหญ้ามันงามแซงต้นไม้นะต้นไม้เล็กๆเนะี่ยหญ้าคุมไปหมดนะบางทีก็ต้องประหารหญ้าต้องฆ่าหญ้าบ้างเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแดดได้รับฝนเต็มที่นะมันก็ทําให้เรียกว่าอะไรคุณธรรมที่เป็นสติปัญญาก็พัฒนาขึ้ น, นเรื่อยอันเนี้ยเราต้องประหารกิเลสทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นนะประหารมันประหารโดยอะไรโดยการมีสติรู้ทันนี่แหละนะ มีสติรู้ทันมันจะประหารกิเลส ข, ของมันเองนะใหม่ๆก็อาจจะเรียกว่ามันยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าขุดรากถอนโคนนะมันก็ประหารโดยการตัดไปนะเหมือนกับต้นไม้นะเหมือนกับต้นไม้บางทีเราไม่มีขวานไม่มีเลื่อยใหญ่ๆนะเราก็ริดิ ก, กิ่งริ ก, ก้านริใบมันออกไปก่อนนะให้มันไม่สามารถสังเคราะห์แสงนะให้มันไม่สามารถเอา อาหารมาเลี้ยงนาต้นได้มากๆากนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงหรือบางทีเราก็เห็นบางทีคนเขาตัดต้นไม้เขาก็ตัดลงไปที่ท่อน้ําเลี้ยงมันก่อนนะค่อยๆให้ท่อนาเลี้ยงมันตายสุดท้ายต้นไม้มันก็ยืนพื้นตายมาทีนะี้บางทีสติกําลังของเราไม่พอนะเราก็ทําได้เพียงแค่ว่าลดระเลิกในสิ่งที่มันทําได้ไปก่อนนะ เรียกว่าปะหารไปก่อนมีสติรู้ทันความคิดมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจปะหารมันไปก่อนเมื่อ น, นั้นแหละนะพอมันไม่ได้เชื้อเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็จะเรียกว่าค่อยๆห่อเหี่ยวไปนะคล้ายๆกับถ้าเราปลูกต้นไมนะ้เราไม่อยากให้ต้นไม้ต้นหนึงงามแล้วก็เออเดินไปที่ไหนก็หักกิ่งมาซะนะเติมไปที่ไหนก็เรียกว่าไม่ต้องไปลดน้ําไม่ต้องไม่ให้ปุ๋ยมัน นะเดี๋ยวสักพักมันก็พอไม่สามารถมีอาหารใหม่อาหารเก่าก็ค่อยๆโดนหายไปเดี๋ยวมันก็ตายไปนะตอนนั้นแหละคือสติปัญญาไปทําหน้าที่ประหารกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะแต่ถ้าเราดูไม่ทันนะเราจะกลายเป็นจากประหารกลายเป็นให้อาหารอนะมันคิดขึ้นมาแล้วก็คิดต่อนะมันหลงมาแล้วก็หลงต่อนะจินตนาการต่อไปเรื่อยมันคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ให้อาหารไปอีกหลายเรื่องนะคิดต่อไปเรื่อยแม้แต่อาหารของกิเลสมันอยู่ที่เรารู้ไม่ทันนะก็เลยหลงไปคิดยิ่งถ้าหลงไปพูดหลงไปทําเนี่ยยิง่งโอ้ให้ทั้งอาหารให้ทั้งอาหารเสริมเข้าไปเรื่อยนะอืมกิเลสพอ่อฟื้นขึ้นเรื่อยนะอดังนั้นการที่เรารู้ทันนะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะเราละมันเสียนะละมันโดยการไม่ทําตามมันนะ แต่ไม่ใช่ไปกดข่มมันนะตั้งใจถ้ามีสติรู้ทันมันจะประหารประหารก็คือละไปนะละได้แบบใดนะบางคนก็ละได้โดยการที่มีสติรู้ทันความคิดก็ตัดความคิดนะแต่บางคนสติกําลังไม่พอความคิดมันไม่หมดไปมันไม่ตัดไปโดยกําลังของสติของเราเองนะเราก็เรียกว่ากลับมากลับมารู้ตัวนะกลับมารู้กับสิ่งที่กําลังกระทําอยู่นั่งยกมืออยู่ก็รู้ว่านั่งยกมือนะ เดินก็รู้ว่าเดินนะคือกลับมาอยู่กับกายก็ได้นะถ้าสติกำลังในการตัดความคิดไม่พอก็กลับมาอยู่กับกายไปก่อนนี่คือเป็นการประหารเป็นการไม่ให้เชื้อไม่ให้อาหารของกิเลสอันนี้เรียกว่าเป็นประหารนะนะประหารนะอย่างหนึ่งนะประหารกิเลสประหารกิเลสไม่ให้เชื้อของกิเลสแลวพระเจ้าท่านก็ บ, บอกว่าผมว่าจันนี้เราประพฤติเพื่อวิราคะคือคลายนะ คลายความกำหนัดยินดีต่างๆนะเพื่อวิดาคะคลายออกไปแต่ก่อนนะมันเคยเหนียวมันเคยยึดมันเคยติดมากๆแล้วก็คลายมันออกไปคล้ายๆเหมือนกับเราคลายคลน็อตคลายเกียร์ออกไปนะมันก็จะสวมขึ้นถ้าเราขันเข้าไปแน่นมันก็ขันเข้าไปก็ยิ่งแน่นมากขึ้นก็คลายมันออกมาจิตใจของเราก็เหมือนกันนะที่แต่ก่อนมันเคยทุกข์มากๆ พอเราคลายมันออกไปได้เนาก็จะเบาลงนะนะเราก็จะเห็นนะถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกทางจิตใจมันก็จะเบาขึ้ น, นเรื่อยๆนะเบาหมายถึงว่าจิตใจมันเบาจากความทุกข์นะแต่ก่อนมันเคยหนักเพราะว่าแบกทุกข์นะทุกข์เพราะแบกหนักมากเรื่อยๆนะแต่ต่อไปเราก็จะเบาขึ้ น, นเรื่อยๆนะเหมือนกับคนเดินทางอ่ะบางทีเราเดินทางไกลมากๆเราจะรู้สึกเอาของที่เราเอามานะมันหนักเหลือเกินนะบางทีถ้าใคร เคยไปทุดดงนะเคยเดินทางไกลหรือว่ามันจะเห็นว่าของที่เรามามันหนักเหลือเกินอะไรมาเอาออกได้นะเอาออกก็ อ, ออกก็ อ, ออกเอาไปแต่ของจําเป็นเท่านั้นนะสัมภาระในกุฏิของเราเองก็ดีนะในที่พักก็ดีของเราอะไรมาเกินจําเป็นเอาออกไม่นะสัมภาระในใจของเราอีกละ่ะมันมีไหม เ, เคยเอาออกไหมเรื่องทางครอบครัวเรื่องทางโลกเราเคยเอาออกไหมนะเรื่องความคิด ในอดีตเคยเอาออกมาบ้างไหมเรื่องความกังวลถึงอนาคตเคยเอาบ้างมาไหมอันนี้คือสัมภาระทางใจนะเราเรียกว่าเนี่ยเราคลายความกำหนัดยินดีในตรงนั้นนะหรือจะเรียกว่าคลายความยินดีในรูปลดกลิ่นเสียงก็ได้นะแต่ก่อนเนี่ยเรื่องความชอบความไม่ชอบเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญกับเรามากนะเรื่องความรักเรื่องความชังเนี่ยเป็นอะไรที่เรายึดมั่นเหนียวแน่นมากนะเราก็คลายมันไป เห็นด้วยใจเป็นกลางเห็นด้วยใจตั้งมั่นจิตมันจะคลายความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆมากขึ้นเหมือนที่เราได้สวดเรื่องสติปัฏฐานนะเมื่อกี้นะถ้าเราเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะมันก็จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่จริงแค่มีสติเห็นรู้ทันกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีหรือว่าทำมารมก็ดีนะมันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ ความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นผลที่เราถอนได้จากการที่เรามีสตินัะมันจะคลายความยินดีความไม่ยินดีออกไปทําให้จิตใจเราเป็นกลางๆเป็นกลางๆไม่ใช่เป็นกลางแบบเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่นะแต่เป็นกลางแบบรู้นะรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแต่ไม่ทาตามกิเลสนะรู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้นแต่ไม่ไปยึดมั่นว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรา รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นกับกายก็ดีกับใจก็ดีแต่ไม่หลงไปยึดว่าความทุกข์ที่เกิดกับกายนั้นเป็นความทุกข์ของกายเราหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นไม่หลงไปยึดว่าเป็นจิตของเรานะมันรู้มีปัญญานะมันจะคลายตรงนี้คลายความกำหนัดยินดีออกไปจากจิตใจของเราได้สุดท้ายพระตุทธองค์บอกว่านะภพฌ า, าเนี้เราประพฤติเพื่อนี่โรทะ คือนิโรธคือความหลุดพ้นคือความหมดทุกข์นะเป็นจุดหมายปลายทางที่เรา พ, พระพุทธองค์อาจารยเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะถ้าเราทําแล้วมันทุกข์มากกว่าเก่าแสดงว่า อ, อปิดทางละแต่ถ้าเราทําแล้วมันหมดทุกข์ทุกข์มันน้อยลงไปนะจิตใจมันเบาบางลงไปจากความทุกข์แสดงว่าเราถูกทางแล้วอันนี้คือจุดหมายปลายทางที่พระพุทธองค์ท่านสอนเราไว้ว่า พหมจรรย์เนี่ยเราประพฤติเพื่อสัมวระคือความสำรวมนะเพื่อปหานะคือความระเพื่อวิราคะคือความคลายความกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรทะคือความนิโรธความผดความหมดทุกข์นะก็ให้พวกเราทุกคนได้พิจารณาเนาะในพรหมจรรย์ที่เราประพฤตินะเราจะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือเป็นอุบาสิกาที่ตั้งใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ ตลอดชีวิตหรืออาจจะเป็นช่วงหนึ่งก็ดีถ้าเราสามารถกระทําเช่นนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เดินตามพระธรรมวินัยเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วนะอันนี้มันไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นเพศใดเราไม่เกี่ยวว่าเราจะอายุมากเท่าไใดหรือไม่เกี่ยวว่าเราจะบวชหรือไม่แต่ถ้าเรากระทําตามที่พธธระเจ้าท่านสอนนะั่นชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าละชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติพรหม จ, จรรย์แล้ว เชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินตามรอยพระพุทธองค์แล้วอันเนี้ยมันอยู่ที่ใจของเราที่จะเดินทางตามรอยตรงนี้หรือเปล่า ก, ก็ฝากพวกเราไว้นะตามหน้าที่เป็นเพื่อนสะสมมิกด้วยกันก็ขอทุกคนจะเดินในธรรมยิ่งขึ้นไป